วินัยนักธรรมชั้นเอกมนทีสิทธิ์โดยพระอาจารย์บุนมีจันทถูปโมกสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นเอกทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาศึกษาวิชาพระวินัยต่อคราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับฐาน <c oughs> ของนานาสังว่า อ่ฐานของนานาสังวาสนั้นก็มีอยู่สองคือทําตนให้เป็นนานาสังวาสเองหนึ่งเช่นอยู่นาฏิกายนึงแล้วก็ไปขอเข้าอีกนิกายอื่นนะ่หรือแตกเพราะการทะเลาะวิวาสกันเอประการที่สองก็คือสงครองเ ร, รียงกันยกออกเสียจากสังวาสคือถูกสงห้ามให้เข้าสังวาสไม่ทำบุญสวดให้ทำสังฆกรรมนะร่วมกับสงนี่ก็เป็นฐานที่ให้เกิดนานาสังวาส เรียกว่าไม่สามารถที่จะร่วมสังวาสทําบุตรสดร่วมกันได้และส่วนฐานแห่งสมานสังวาส น, นั้นก็มีสองเหมือนกันฐานแห่งสมานสังวาสก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันทำบุตรสดทำสังกรรมร่วมกันได้หรือทําสังฆกรรมอื่นๆ <c oughs> ที่เกี่ยวกับสงฆ์จะต้องทําร่วมกันได้นั่นเองมีสองอย่างขึ้นหนึ่ง ทำตนให้เป็นสมาณะสังวาสเองได้แก่สงออปรองดองกันเข้าได้หรือภิกษุผู้แตกจากหมู่แล้วเข้าหมู่ตามเดิมสองสงระงับอุเคปรรญกรรมนั่นเสียรับเข้าสังวาสตามเดิมอย่างนี้ก็เสร็จด้วยลำพังสงฝ่ายเดียว้ข้อนี้ก็มีสิ่งที่จะทำความเข้าใจ ให้เพื่อนสาธมิกได้เข้าใจสักนิดหนึ่งที่ว่าท <c oughs> ำตนให้เป็นสมานสังวรเองนั้นท่านแยกแยกระเด็นออกเป็นสองประเด็นก็คือว่าสงที่อสองรองดองกันเข้าได้ก็หมายความว่าเมื่อแตกแยกกันไปแล้วด้ว <c> ย <oughs> เ, เหตุใดเหตุหนึ่งเช่นที่กล่าวไว้ในเรื่องของโกสศบิกาขันตกะ ได้กล่าวถึงภิกสุสองฝ่ายคือฝ่ายพระธรรมทอนกับพระวินัยทอนที่แตกแยกกันอแตกแยกกันไม่ทํำโสดรัศกาลร่วมกันตอนหลังนั้นก็เกิดรองดองกันเข้าเมื่อเกิดรองดองกันเข้าก็เอทําสามครีบสสดนั่นก็เรียกว่าทําตนให้เป็นสมาณสังวาสเองเนี่ยทําตนเป็นสมาณสังวาสเองหรือ <c> ภ <oughs> ิกษุบางรูปที่แยก ตนออกไปจากคณะคือไปเข้าสู่ที่นิกายอื่นเช่นแยกจากนิกายนี้ไปเข้าอีนิกายอีนิกายหนึง่งครั้นแล้วก็เห็นว่าไม่ดีก็เลยย้อนกลับเข้ามาสู่นิกายเดิมอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตนให้เป็นสมานสังวสเองเอพูดง่ายๆก็คือว่าไฟหนึ่งถ้าเป็นมาท ำ, ำารมาทิกายแล้วแยกไปเข้าทำมยุทธ์แล้วก็กลับเข้ามาอีก นี่ก็เป็นป้ายเพื่อให้เกิดเ อ, อสมานสังวาสเองอันนี้กเ็เป็นสิ่งที่จะต้องทําของกัจจัยส่วนที่ว่าทรงระงับอุเข็มเนียกรรมนั้นรับเข้าสังวาสตามเดิมข้อนี้ก็เคยได้กล่าวแล้วว่าการทําอุเข็มเนียกรรมแก่ภิกษุรูปใด ร, รูปหนึ่งนั้นภิกษุนั้นจะต้องมีความผิดเช่น อ, อต้องอบัติแล้วไม่รู้ว่าต้องอบัติหรือ รู้แต่ไม่ยอมที่จ ะ, ะแสดงไม่ยอมที่จะระ ง, งับอาบัตินั้นหรือมีทิฏฐิลามกคือมีความเห็นผิดสามประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้สงฆ์ทำอเเุเขมนกกรรมขับไล่ออกเสียจากบูไม่ให้ร่วมสังฆกรรมแม้แต่บโบสดแม้แต่ปวารณาหรือสังฆกรรมอื่นก็ตามไม่ให้ร่วมเลยแต่ถ้าพิสารณารูปใดไป ให้พิสุที่ถูกสงลงเขมรกรรมเข้ามาร่วมนั้นท่านปราบอาบัติด้วยเอ่อราบัติด้วยเนะียปราบัติปาจิตตินั้นพิกสุที่ถูกสงลงเขมรกรรมเพื่อให้เขตดลาบนั้นถ้าหากว่าได้ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามพระวินัยแล้วเป็นคนที่คลายทิฏฐิเนะียยอมตนที่จะแสดงอาบัติยอมตนที่จะทําคืนอาบัตินั้นแล้วสงเห็นสมควรที่จะระ ง, งับอเอาเขมรกรรมนั้นแล้วก็สงนะครังงบ เมื่อสองระงับแล้วภิกษุนั้นก็กลับเข้าหมู่ตามเดิมได้อันนี้ก็เป็นการทําตนนั่เป็นการให้เกิดสมานสังวัรเป็นฐานเห็นสมานสังวรที่จะให้อยู่ร่วมกันต่อไปนี่คือสมานสังวรในทางที่จะให้สองสามัคคีกันได้นั้นอย่างไรในทางที่จะให้สงองสามัคคีกันได้นั้นท่านกล่าวว่ามีสองประการคือหนึ่งลิวาธาที่ก่อระงับด้วยการตกลงกันเอง หรือยอมรับวินิจฉัยเองหรือวินิจฉัยของสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งหรือของพิสุบางรูปประการที่สองอาปันตาทิกรนะครับด้วยตินละวัฏฐารกะวิ น, นัยคือด้วยการประฏินปะนอมกันไม่สาหาความผิด ข, ของกันรักกันอันนี้คือทางที่จะให้เกิดความสามัคคีได้กล่าวไว้สองในในที่ว่าแล้ววิว า, าทิกรระงับด้วยการตกลงกันเองเนี่ยก็หมายความ ติดว่าการทะเลาะวิวาดกันจนเกิดการแตกแยกแตกกันแล้วเนภายหลังรู้เข้าก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าพี่คือพี่สุชาวเมืองโกสัมพีทั้งสองฝ่ายเนี่ยภายหลังรู้ภายหลังเห็นโทษแล้วก็จึงได้กลับตกลงกันเองในการที่จะระงับไม่ออก่เ อ, อ, อเรื่องให้มันวุ่นวายต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีกันได้หรือยอมรับวพี่ก็ใช้ของฝ่ายสอง ก็หมายว่าเมื่อต้องให้สงวนวิจัยเรื่องราวต่างๆนี่มันเป็นมาอย่างไรแล้วก็เมื่อวินิจัยแล้วถูกต้องแล้วก็ยอมรับเมื่อยอมรับในการที่จะปฏิบัติก็จะเป็นไปให้เกิดความสามัคคีกันขึ้นมาหือยอมรับการวินจัยของภิกษุบางรูปก็เหมือนกันที่ถูกต้องหมายความว่ า, วาอาจจะตั้งภิกษุบางรูปที่มีความยกยิ่งความชํานาญเชี่ยวชาญในเรื่องของพระวินัย เรียกว่าเป็นผู้ส่งไว้ซึ่งพระพินัยเนี่ยมาชี้แจงมาแก้ไขมาวิิจัยว่าอย่างไรถูกต้องตามพุทธพจน์อย่างไรไม่ถูกต้องตามพุทธพจน์เมื่อวิิจัยไปแล้วก็ยอมรับในการวิิจัยที่ถูกต้องนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีก็ยอมรับแล้วนี่นี่คือประการที่หนึ่งที่ประการที่สองที่ว่าอาปัตตาที่ขออนงับเมื่อกินลนะวัฒนกะวินันยก็คือการประฏีประนอมกัน ข้อนี้ก็ในกล่าวเราเคยได้กล่าวแล้วในครั้งก่อนนั้นว่าอการทําผิดบางอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ระ ง, งับกันโดยวิธีอื่นยากเพราะว่าทําผิดพร้อมๆกันเนีพร้อมๆ ก, กันเป็นคณะเป็นหมู่เป็นพวกกันขึ้นมาอทั้งสองฝักสองฝ่ายเกิดทะเลาะ ก, กันหรือเกิดบิวะกันอ่ในการที่เห็นไม่ตรงกันอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีการทําผิดกันขึ้น ไม่มออีการทำผิดกันขึ้นเนี่ยจะระ ง, งับก็ระ ง, งับยากแต่ก็ทรงชอ่ชงทรงบัญญัติทรงอนุญาตให้ทําการระ ง, งับด้วยวิธีการอันหนึ่งก็คือวิธปปีประนีประนอมในกรณีประนอมกันเนอย่าไปสาวหาเรื่องราวต่างๆให้มันวุ่นวายให้มันมากขึ้นเกิดเรื่องที่จะต้องเกิดการแตกแยกต่อไปก็ใช้วิธีประนีประนอมกันเสียการประนีประนอมกันนั้นก็คือการให้ทั้งสองฝ่ายที่ ก, การทะเลาวิวาทการเกิดการกระทำผิดพระวินัยนั้นเน่ยประชุมพร้อมกัน mm hmm. เมื่อประชุมพร้อมกันแล้วก็ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ตั้งยติในการที่จะระงับอธิกรณ์นี้เมื่อฝ่อายใดฝ่ายหนึ่งตั้งเจติของฝ่ายตนแล้วก็ตั้งยติในการที่จะระงับด้วยวิธีเจติตุติยกรรมในการระงับ อ, อธิกรณ์โดยตินธรรมรากวิธีและก็สะแสดงอับัติแทนซึ่งกันและกันอันนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดการนะครับ เกิดความสามัคคีกันขึ้นมาก็รับนับแล้วก็ยอมรับกันแล้วในการรันับด้วยวิธีอย่างนี้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ให้เกิดความสามาัคคีอตจทีนี้ในมาเีกอสัมพิกาขันตะกะแสดงสังฆะสามัคคีไว้ว่าคือแสดงเรื่องที่จะให้เกิดความสามัคคีไว้เนี่ยหนึ่งทรงไม่วินิจฉัยเรื่องไม่สาวเข้าไปเถึงมูญแล้วทําสังฆกรรมเื่อทําสังฆะสามาัคคีอย่างนี้เสียอัตได้แต่พ ย, ยัญชนะไม่เป็นธรรมสอง สองวิจ e ัยเรื่องสาวเข้าไปหามูลแล้วทำสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีอย่างนี้ได้ทั้งอัจได้ทั้งพยัญชนะเป็นธรรมก็หมายความว่า่การทำสังฆสามัคคีเนี่ยมีทั้งไม่เป็นธรรมมีทั้งเป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมนั้นก็หมายความว่าสองได้วิฉัยเรื่องหน่าวิฉัยเรื่องไม่สาวเข้าไปหามูลเหตุเรียกว่าทำไม่รอบคอบนั่นเอง ไม่สาวไปหามูลความเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น่งนั้นเป็นแต่วิิจัยแล้วก็เอาให้ทําสามัคคีสามัคคีกันซะอต่ยันนี้เสียอาสเสียนึกความแต่ว่าได้พยัญชนะแต่เสียอาสเสียนึงความนั้นจึงถือว่าไม่เป็นธรรมไม่มีเท่าที่ควรส่วนประการที่สองที่ว่าสองวิจัยเรื่องสาวเข้าไปหามูลเหตุแล้วทําสาังคสักคีอย่างนี้ได้ทั้งอาัาสได้ทั้งพยัญชนะ ก็คือสาวหาเหตุสาสางทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมาอย่างไรให้มันแจงให้มันแจ้งให้มันสว่างให้มันแน่นอนซะก่อนว่ามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็จึงได้วิ่งัยนั้นลงไปและทำสังฆสามาัคคีอย่างนี้เรียกว่าได้ทั้งอัดได้ทั้งพยัญชนะคือเป็นธรรมถูกต้องนะถูกต้องนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องที่จะให้เกิดสามัคคีที่กล่าวไว้ในโคสมพิขาคันทกะา นี้ความสมคีดีอย่างไรก็มีคําสรรเสริญผู้ทําสังฆสมคีไว้ซึ่งแปลวว่าอท่านปิเปลียนผู้ทําสังฆเพศไว้อย่างรุนแรงว่าเป็นอนันตเรกามตกก ร, รกชั่วกับชั่วกันแต่สรรเสริญผู้ทําสมคีหนาบสรรเสริญผู้ทําสังฆสมุคีคือผู้เป็นหัวหน้าชักนําเข้าหาคุณข้อนี้ว่า ผู้ทำสงอันให้แตกกันแล้วให้พร้อมเพียงกันย่อมได้พรหมบุญคือบุนอันประเสริฐอย่างสูงจะแช่มชื่นในสวรรค์ตลอดกับอันนี้คือคําสรรเสริญาผู้ใดที่ทําให้เกิดความสามัคคีนั้นนได้พรหมบุญได้พรหมบุลบุอันประเสริฐและได้บุลอันประเสริฐจะเห็นว่าความสามัคคีความพร้อมเพียงกันนั้นเป็นคุณธรรมอันสําคัญที่ แต่พุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้สังฆบุญทนหรือพุทธบริษัทเนี่ยเป็นปึกแผ่นนะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาในการที่จะรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของเราอย่างไรอาพุทธทาทฤทั้งหลายถ้าหากว่าเราได้พิจารณาเรื่องของอุโบสถและจะเห็นได้ชัดเลยว่าพระพุทธองค์นั้นท่านทรงมุ่งในอันที่จะใหะ้พุทธบริษัทนั้นเกิดความสามับบคคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องอุโบสถเป็นเรื่องของพิสุในพระพุทธศาสนา ท่านเจนบัญญัติให้พุกธสูตรโลโบสถทุกๆกึกดเดือนไม่ว่าในภรรษาทรือนอกพรรษาก็ความมุ่งประสงค์อันใหญ่หลวงของพระพุทธองค์ก็คือความสามัคคีนั่นเองนั้นการโลโบูสดก็เพื่อให้เกิดความสามัคคีเกิดความปรองดองในหมู่คณะจะได้ตรวจตราดูความประพฤติของตนแต่ละครั้ง15วันตรวจดูครั้งหนึ่งและก็15วันตรวจดูว่าความพร้อมเพรียงของเรานั้นมีแค่ไหนอย่างไรการทำโบสดจึงเป็นไปเพื่อความสามัคคีแต่ที่ เป็นไปในปัจจุบันนั้นก็อ่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะเข้าใจความหมายหรืออาจจะไม่ค่อยจะเอาใจใส่บางทีก็ทําแต่ในพรรษาเพราะออกภรษาคนเลือกทําบทสดกันส่วนใหญ่ในช่วงบทเป็นเช่นนั้นอจนกระทั่งว่าทําให้คนที่บวทเข้ามาใหม่ไม่รู้เรื่องเรื่องของบทสดว่าทํากันอย่างไรก็เป็นเหตุให้คําสอนหรือเป็นเหตุให้คำพิจารณาส่วนนี้เนี่ยค่อยๆลือนๆหายไปหายไป จนทำให้ผู้ทรงปฏิโลกนั้นน้อยลงน้อยลงนี่ก็เพราะว่าการละเลยในการที่ไม่เอาใจใส่นั้นก็ปัจจุบันจึงความสามัคคีจึงมีไม่มากนะักนะไม่ไม่มากนะักแต่ละวัดแต่ละวาก็ถ้าหากว่าเราสังเกตดูเองต่างว่าแต่ละวัดที่เราอาศัยอยู่นั้นก็อาจจะไม่สมดุลบริบูรณ์เรื่องของความสามัคคีทางนี้ทางนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ยึดมั่นในการที่จะทา วงศ์ ส, สังกรรมหรือปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธองค์ท่นทรงแสดงเอาไว้อย่างไรนั้นความสามัคคียังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องน้อมนํามาปฏิบัติในการที่เราอยู่ร่วมกันนั้นอย่างไรทีนี้วิธีทำสังฆสามัคคีนั้นทํากันอย่างไรท่านบอกว่าวิธีทำสังฆสามัคคีนั้นควรทําเป็นกิจจลักษณะคือหนึ่งพิสุทั้งวุ่นทั้งสองฝ่ายพึงประชุมกันสองไม่พึง น, นําฉันทะของพิสุใดๆมา สามที่สู่รูปหนึ่งหรือหลายรูปพึงสวดประกาศความสามคัคคีแห่งสงด้วยกรรมวาจาเตรียมระเบียบนะหรือว่าให้เป็นไปตามระเบียบเท่ า, าที่สังฆาสามัคคีในลำดับแห่งการระงับวิว า, าทาธิกรหรือแห่งติลววตารกาวินยัยสี่พึงทมสามขีโบสดสวดพระปฏิโมกนี่คือคือหลัก อวิธีการในการทําสังฆสัมมคีหมายความว่าพิสูจสองฝ่ายที่แตกกันแล้วนั้นเนี่ยก็เมื่อจะทําสัมมคีกันก็ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประชุมพร้อมกันในสีหมารประชุมพร้อมกันทั้งหมดเลยประการที่สองไม่นําฉันท่าของพิสูจนใดๆก็คือว่าเมื่อประชุมกันแล้วพิสูจน์เจ็บไข้ในป่วยต่างๆเนี่ยก็ไม่นําฉันท่ามาต้องให้มาหมดจะเข้บจะเจ็บจะป่วยอะไรกันแล้วแต่ ต้องมาประชุมไม่เหมือนกับ อ, อุโมงศธรรมดาต้องวศธรรมดานั้นหรือสังก ร, รมอื่นธรรมดานั้นก็ปิจุเจ็บปิจุป่วยนะั้นให้ฉันทะมาก็ได้หรือมอบปิสุที่มาก็ได้แต่ว่าทําสังฆาสมคธินั้นไม่ได้ต้องมาหมดไม่ให้นําฉันทะใดๆมาเอาต้องเข้าประชุมพร้อมกันหมดปิจุที่เข้าประชุมในรูปหนึ่งก็าอาจจะต้องสวดนะประกาศแห่งความสมคธิเรื่อกรรมวจาว่าเราจะทา อการระงับอธิกรณ์หรือเราจะทําสามัคคีอย่างไรเสร็จแล้วก็พิสุทธ์เบื้หนึ่งก็สวดปติโมกข์เนี่ยจะทําสามัคคีอุโบสถอันนี้คือการที่จะทําสังฆสามัคคีอุโบสถแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้ทําแล้วเ อ, อทําแต่อุโบสถธรรมดาส่วนสามัคคีอุโบสถนั้นเราไม่ค่อยได้ทํากันก็เพราะว่าไม่มีการแตกแยกจนถึงขนาดที่จะต้องแยกกันแบบเหมือนสมัยครังพุทธกาลซึ่ง มีกล่าวไว้ในโกสมามทิศการตักการนีนั่นก็เรื่องสามมุขิบสดในปัจจุบันก็จึงไม่ไม่มีไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรือไม่เคยทําแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องศึกษาให้รู้ว่าวิธีการทําสังฆะสามมุขนั้นคือทําอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ท่านส่งบัญญัติไว้ให้พิสุทั้งหลายได้เกิดความพร้อมเพรียงกันอย่างไรจะได้น้อมนําไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะรักษา หมู่คณะให้เป็นไปโดยดีตามสมควรทีนี้เราก็มาพูดถึงกันต่อไปการต่อไปก็คือกานที่สามสิบสามการที่สามสิบสามเป็นปกินนักกาเรื่องว่าในเรื่องประกินกกาประกินักกานั้นก็ว่าในเรื่องเบ็ะเล็ดกล่าวไว้ในการ น, นี้ก็มีอยู่สีเรื่องด้วยกันนะที่กล่าวไว้หนึ่งการลาสิขา สการนาสนะสามการทําดัลกมัมสการประนามมีสี่เรื่องในการเรื่องที่หนึ่งการลาสิกขาการลาสิกขาพิสูุผู้เบื่อนหน่ายต่อการประพือพรหมจันทร์ปราตรนาจะกลับคืนไปสู่ความเป็นครหัสย์ย่อมทําได้มีการลาสิกขาคือปริญญาตนเป็นผู้อื่นจากพิสูจต่อหน้าพิสูจน์หรืกันแล้วกว็ละเพศพิสูจน์นั่นเสีย ถือเอาแพร่ที่ตนปฏิญญานั้นท่านอนุญาตให้ทําได้เนี่ยทําอย่างนั้นได้แต่อแม้ต่อหน้าผู้อื่นจากวิสูขก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นการบวชในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอภวุโสธรรมิกก็คงจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอาไม่ได้มีจํากัดแน่นอนว่าจะต้องอยู่ตลอดไปหรือจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้บวชเข้ามาแล้ว เมื่อเกิดศรัทธาเสื่อมลงหรือเกิดเมื่องไหนในการประพฤติพรหมจรรย์จะไม่สามารถที่จะดำรงเพศอยู่ต่อไปจะลาเพศไปเป็นขันหสคือเป็นเพศต่ำต่อไปก็ย่อมทําได้เหมือนกันทีนี้่ังนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถที่จะดำรงเพศพรหมจรรย์ตลอดไปนั่นเองเดี๋ยวะำับองค์เนี่ ย, าาน เ, นยเมื่อประพฤติปฏิบัต เอมาอยู่มวชเข้ามาแล้วเนี่ยประพฤทธปฏิบัติต่อไปไม่ไหวอาจจะเป็นเหตุ ข, ขัดของด้วยประการใดประการหนึ่ง อ, อาจจะเกิดจะกโรคภัยไข้เจ็บก่อนแล้วแต่หรืออาจจะเกิดจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อในได้ครบถ้วนกับบุตรความอย่างนี้ถ้ายืนต่อไปก็กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมแลอยู่ต่อไปก็กลัวจะทําให้เกิดความเศร้ามองขึ้นในทางคณะสงในทางพระศาสนาก็ ลาสิกขาออกไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้ารู้ตัวอยู่ว่าประพฤติดีแล้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนที่นอกฤทธนอกรอยนอกพระาะทมนอกพระวินัยอยู่หรืออาจจะละเมิดสิขาบทที่เป็นระบติอย่างไร้แรงเนี่ยก็ควรที่จะได้ลาสิกขาไปเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็มีแต่จะสร้างกรรมชั่วให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในความโมโหให้เกิดขึ้นแก่พศาสนานั้นรักษาพุทศาสนาของเรานั้นก็ ยังเปิดโอกาสให้ลาออกได้คือให้ลาจากการเป็นสมาชิกคือจากการเป็นพระนี้ได้กลับไปเป็นพระวัดตามเดิมได้แต่ต้องทําให้ถูกต้องตามตามหลักจึงจะใช้ได้และเคอที่ควรอ้างถึงในการกล่าวคําปฏิญญาคือในการลานะั้นอย่างไรคําปฏิญญานั้นต้องต้องชัดนะท่านบอกว่าต้องชัดพอที่จะอทําให้ผู้ฟังนั้นรู้ได้ว่าตนละความเป็นผิวสุถึงความเป็นผู้อื่น วิเนวิพานแห่งปฐมปรารชิกสิกขาบทท่านแสดงวัตถุเรียกในอัตถกถาว่าเขตที่อ้างถึงในกรปฏิญาณนั้นอย่างนี้หนึ่งลาพระพุกพระธรรมพระสง์สิกขาวินนยปฏิโมกุเทศอุปชายยะอาจารย์สัตย์วิหาริกอันเตวสิกเรียกสมานุปัฏชายะสมานุาจาริยะสภพมจารีในวัตถุเหล่านี้สิกขาวิเนยปฏิโมอุเทศเป็นของชัดพอ เป็นงคำลาสี่วัตถุนี้อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสำเร็จความเข้าใจว่าลาความเป็นพิกษุวัตถุนอกนี้ไม่ชัดพอได้คำอื่นเข้าประกอบด้วยเป็นการดีคือต้องเอาคำอื่นมาประกอบด้วยเป็นการดีสองปฏิญญาเป็นคารหัดเป็นอุบาสกเป็นอารามิกะเป็นสัมมณนเป็นบรีเป็นสาวุบรุีสาม ปฏิเสธความเป็นสมณะความเป็นสักยปุติย์สีส่แสดงความไม่ต้องการหรือไม่เกี่ยวข้องโดวยวัตถุเป็นเขตลาอย่างใดอย่างหนึง่งจะใช้คําอื่นอันเป็นไวโพ์ของวัตถุเหล่านี้ย่อมสําเร็จความเข้าใจได้เหมือนกันดังการปฏิญญาต้องทําเป็นกิจจลักษณะจึงจะใช้ได้เนี่ยทำเป็นกิจลักษณะ หนึ่งทําด้วยตั้งใจเพื่อลาสิกขาจริงๆเป็นแต่ลําพังว่าเล่นหรือท่องคําลาหรือกล่าวเลยอาการแสดงวิเลยกถาไม่นับว่าลาก็หมายความว่าต้องลาจริงๆเนะียลาเล่นๆ น, น, นั้นไม่ชื่อว่าลาเจนเราท่องคาลาเล่นๆสิครั้งปัจจค่ะสิครั้งปัจจการวิหิติมังธาเรนธาอะไรเระว่าเล่นๆนั้นไม่ชื่อว่าลานั้นต้องต้องเป็นคําลาที่ ที่เป็นปัจจุบันด้วยและก็เป็นคําลาที่ลาจริงๆด้วยหรืออาจจะเปลียนอ่านอาจจเปียนเทว <c oughs> ินาเย่เฉยก็ไปชื่อเวลาเหมือนกันนี่ประการที่หนึ่งต้องลาจริงๆสองต้องออปฏิ ญ, ญาด้วยคําเด็ดขาดไม่ใช่ลำพึงไม่ใช่ปริกับไม่ใช่อ้างความเป็นมาแล้วหรือจะเป็นไปข้างหน้าเนียการปฏิ ญ, ญาต้องเด็ดขาดคือต้องเป็นปัจจุบันคือบัดนี้เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่รําพึงว่าเอ๊คัมประเจาจะสึกดีไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคําปฏิญญาที่ที่เด็ดขาดหรือไม่ใช่ปริกัรว่าเอ๊ต่อไปเราจะลาสิกขาอันนี้ก็ก็ไม่ชื่อวันลาได้เด็ดขาดหรือว่าเอ๊เราได้ลาสิกขามาแล้วหรือว่าต่อไปขรั้งหน้าเราจะลาสิกขาอย่างนี้ก็ยังไม่ใชื่อว่าเด็ดขาดนั้นคํำเด็ดขาดต้องเป็นปัจจุบันเนืเป็นปัจจุบันเป็นคําเด็ดขาด เป็นบัตรนี้เลยปัจจุบันนี้เลยนั่นจึงจะใช้ได้สาลั่นวาจาปฏิญญาด้วยตนเองให้ผู้อื่นปฏิญญาแทนนะั้นไม่ได้แสดงาอาการกายและประโยคคือเปลี่ยงผ้าการสายยาเสียนุ่งห่มอย่างขัาหาัดไม่นับบาลาะไม่นับบาลานะเพราะมีบัญญัติรับแปาอบัตกูกฎแก่ผู้สูงุูเปลือยกายก็หมายว่ า, าลั่นวาจาปฏิ ญ, ญาด้วยตนเองกล่าวอย่างคำชัดเจนด้วยตนเองด้วยคือ เป็นผู้ที่รู้จักภาษาเข้าใจความนั้นจะให้ผู้อื่นเข้าว่าแทนที่จะเป็นราชกาคนอื่นเข้าว่าแทนอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะคนอื่นก็เป็นคนอื่นไม่ใช่เรานั้นเราต้องว่าผู้ราชกาต้องว่าให้ชัดถ้อยชัดคําด้วยตนเองออจะคําด้วยตนเองถ้าเพียงสแสดงอาการสแสดนงนโยองไปเลยที่เอาผ้าออกเสีย่ยแก้ผ้าออกเฉยๆเปลี่ยงผ้าออกเฉยๆแล้วก็โน้มหงายกระหัดเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่วลา อัไม่ใช่เวลาก็เพราะว่าเ อ, อมีมีพระวินัยที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องพิสุเ อ, อเรื่องเล่บเล่ยกายเนี่ยท่านก็ไม่ถือว่าเป็นการขาดจากพระเช่นได้กล่าวไว้ อ, อในพระวินัยได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าอ่าพิกสูเมื่อถูกโยนถูกไฟไหม้ชีวร น, น, นถูกชีวอนถูกโรลักเสียถูกไฟไหม้เสียนี่ไม่มี เมื่อไม่มีอย่างนี้ท่นานอธิบายว่าจะเอาสิ่งอื่นมานุ่งแทนได้แม้แต่ใบไม้ก็นุ่งแทนได้นะใบไม้ก็นุ่งแทนได้ปกปิชั่วครั้งชั่วคราวในเมื่อไมีเหตุการณ์เช่นนั้นอย่างนี้ทําได้แต่ถ้าหากว่าเปลือกกายพิสูจเปลือกกายเนี่ยเปลือกกายถ้าเปลืยกอย่างเรไรถีนะเปลือกอย่างเรไร ถ, ถรีต้องกลับอบัดถูกรดใจแต่ถ้าเปลือทกทํากลิบแก่การเช่นในขณะไหวาในขณะรับของในขณะบริโภคอาหารอย่างนี้ท่านกลับบำบัดทุกกฎ นั้นก็เปลือยกายท่านปราบบัตรแค่ตัว ก, กฎนะก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดจากการเป็นภิกษุฉะน้นยาเปลี่ยนผ้าหรือจะอะไรออกมุ่งห่มอย่างกระหัดลันก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักในการลาสิขาจะต้องกล่าวคำเด็ดขาดเลต้องกล่าวคำเด็ดขาดจึงจะถูกต้องและก็ประคารทิศีท่านบอกว่าผู้ปฏิ ญ, ญาเป็นคนมีปกติไม่ใช่บ้าไม่ใช่ผู้เสียจิตสติถึงเพอไม่ใช่ผู้กระสรับกระสาเพราะทุกขเวทนากล้าถึงในรู้ตัว ผู้รับปริญญาก็เป็นคนปกติเหมือนกันถ้าเป็นสามประเภทนั้น อ, อถ้าเป็นสามประเภทนั้นใช้ไม่ได้ก็หมายความว่า อ, อที่กล่าวมา อ, อที่เราไม่ถูกต้องเช่นว่าเป็นบ้ามีสติเพอ้อหรือกระสรับกระสายเพราะเวทนาเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ผู้ลาก็เป็นบ้ามิสติเพอ้อไปละเมือไปตัวอย่างไปละเมือไปหลายอย่างในประการมีทุกขเวทนาแตกต้าจนเรไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ย ใช่ไม่ได้นั้นต้องต้องเป็นผู้ปกติเป็นผู้มีปกติไม่ใช่บ้าและก็ผู้รับก็จะต้องเป็นผู้ปกติเหมือนกันแต่ถ้าไปปฏิญญาถ้าคนบ้าหรือเป็นพระบ้าก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ใช่ไม่ได้นั้นต้องเป็นปกติเหมือนกันรู้ความประการที่ห้าท่านบอกว่าผู้รับปฏิญญาเข้าใจคำนั้นทันทีปฏิญญาด้วยภาษาอันรู้นะนะ คือเรียกว่าภาษาที่ผู้อ่าอันผู้รับเนี่ยไม่เข้าใจใช้ไม่ได้ถ้าผู้รับไม่เข้าใจในเรื่องอของ้อข้อในปฎิญญาจึงต้องว่าภาษาไทยด้วยอีกอย่างหนึ่งปฎิญญาต่อผู้ใดผู้นั้นเข้าใจถ้าผู้นั้นไม่เข้าใจผู้อื่นก็อผู้อื่นเข้าใจก็ใช้ไม่ได้นั้นต้องเข้าใจนว่าแล้วก็ต้องเข้าใจจึงจะใช้ได้อปฎิญญาพร้อมด้วยจิต ด้วยการด้วยประโยคน์ด้วยบุคคลและด้วยความเข้าใจอย่างนี้เลยนั่นจึงเป็นกิ จ, จลักษณะในการลาสิกขานั้นเพื่อนมหาตมิกทั้งหลายการในลาสิกขาดังที่เล่าเล่าวนั้นจะต้องทําให้ถูกต้องเป็นกิ จ, จลักษณะจริจะอ่ใช้ได้และก็ถูกต้องตามหลักในทางพระวินัยนี้ที่ทําอยู่สุดลงไ ป, ปาบางทีก็อาจจะละหล้วม คือไม่เข้าใจทั้งผู้ให้ลาและก็ผู้ถูกลาก็มักจาไม่ค่อยเข้าใจก็ทําไปแบบไม่รู้เรื่องทั้งสองฝ่ายถ้าว่าตามหลักนี้ก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่นั้นต้องผู้ที่จะลาสิกขานั้นก็จะต้องท่องคําลาและทั้งคําแปลที่ลาสิกขานั้นด้วยจะได้เข้าใจและก็ผู้ที่ทําการลาสิกขาอจะเป็นพระรูปใดรุ่นหนึ่งก็เหมือนกันที่ พอที่จะให้คนอื่นลาสิกฐานั้นต้องมีความรู้มีความเข้าใจว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ควรที่จะหมดสภาพของการเป็นพิสูจน์หรือไม่อันนี้ก็ต้องให้เข้าใจเหมือนกันดังนั้นก็ต้องทําให้ถูกเรื่องถูกราวถูกตามหลักที่ท่านแสดงขี้แจงเอาไว้ในพระวินัยอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อให้เป็นเยื่ออย่างแก่อนุชนเข้าหมายก็ว่าผู้ที่บวชเข้ามาภายหลังก็จะได้ถือปฏิบัติตามและก็จะให้ถูกต้องต่อไปนั่นแหะครับวันนี้การศึกษา เกี่ยวกับพระวินัยของเราก็เวลาก็ด้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระวินยัยหรือในธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จงบังเกิดมีแด่เพื่อนหาธรรมิกทุกทุกท่านทุกๆคนเทินสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกตุกโรคที่กำลังศึกษาวิชาพระวินัยนะทรับเ่นเอกวันนี้เราก็มาศึกษา ต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้ศึกษาในการที่สามสิบสามซึ่งก็ได้ศึกษามาถึงตอนที่เกี่ยวกับการลาสิกขาว่าจะต้องให้ถูกต้องตามกิ จ, จลักษณะจึงจะถือว่าเป็นการลาสึกขาสิกขาที่ถูกต้องทีนี้คําประฏิญญาที่ถูกต้องและก็เป็นคํำดิดขาดนั้นอย่างไรก็ เพื่อนสาตามิกที่เพึิ่าที่กําลังศึกษาอยู่ก็พึงทําความเข้าใจว่าต้องเป็นคำเสด็จขาดซึ่งท่าน mm hmm. เรียงคําเสด็จขาดและไม่เด็ดขาดไว้ดังนี้อ่าเช่นกล่าวคําว่าสิกขงังปัจจคามิขปเจ้าลาสิกขาหรือว่าขิทิติมังภาเระเอ่าท่านทั้งหลายจงจํำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นกรหัสนี้เป็นคําเด็ดขาด อเป็นคำลาที่เด็ดขาดอคำเล็กอันหนึ่งก็คือยันนูนาหังสิขังปัจจคัยยังฉไหนหนอเราพึงลาสิขาเถิดหรือว่าเอยันนูนาหังขิหิอัสังฉไหนเราพึงเป็นกรหัตอาเสถเถิดนี่เป็นคำรำพึงอีกคำหนึ่งก็คือสเจสิขังปัจจคัยยัง อ, อาณะพิรติ เมปฏิสัมภิยะหากเราลาสิกขาเสียแล้วความไม่ยินดีของเราก็จกสงบหรือว่าแย่ที่ขี้หีอัดสังสุขขังชีวายังถ้าเราพึงเป็นกรหัตเราก็เอพึงเป็นอยู่สบายอันนี้เป็นคําปฏิกับหรือสิกังปัจักขาสิงข้าพระเจ้านาสิกขาเสียแล้วหรือว่าขี้ฮีอโหสิง ข้าพเจ้าเป็นกระหัตเสร็จแล้วนี่อ้างความเป็นมาแล้วหรือว่าขีพระวิ ส, สังข้าพเจ้าจะเป็นกระหัตนี่ก็อ้างความที่จะเป็นมาข้างหน้าที่กล่าวมานี้ข้อสองถึงข้อสี่ไม่ใช่คำเด็ดขาดส่วนคำเด็ดขาดก็คือคำอที่กล่าวในข้อที่หนึ่ง คือเป็นคําำเสด็กขาดที่ปฏิขังปัจจะขามิขีติมังทาเรธีธนั้นเป็นคํำเสด็จขาดในการกล่าสิก ข, ขาบทที่ถูกต้องถ้าเป็นคํานอกจากนั้นยังถือว่าไม่ถูกต้อง น, นี่คปวิทยอาการลาสิขาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ที่มีการใช้อยู่ก็มีลา ว, ว่าสิกขาปัจจะขามิขิติมังทารธีธซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าลาสิกขา ท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นกรหัตเมื่อถือเพศกรหัตแล้วแสดงภุปาสกัปธเทศนาอีกวาระหนึ่งแล้วก็รับสินห้าหรือสินแปดเพื่อทำให้มั่นอีกขั้นหนึ่งส่วนวิธีลาศิกขาสำหรับสัมมณเลนสำหรับสัมมณเลนนั้นไม่มีคำลาหรือคำปฏิญญาสมมณเลนผู้ปรารถนาจลาภาวะของตน ก็ทําเป็นกิจลักษณะกล่าวคําลาได้เหมือนกันแต่ว่าก ล, าาล่ า, จจาวคําว่าละว่าสิกขังปัจจคามิอ่าซึ่งแปลความว่าข้าพเจ้าลาสิกขาอ่าเท่านี้ก็ควรอยู่ดูเป็นกิจลักษณะดีเหมือนกันแต่บทว่ากิหิติมังทาเรธะนั้นจะตัดออกไม่ว่าก็ได้เพราะว่าสมณีนี้ยังเป็นเด็กอยู่อันนี้ ต่อไปก็เรามาศึกษาเรื่องของการนาสนาเรื่องที่สองอการยังบุคคลผู้ไม่สมควรถือเพศให้สละเพศเสียเรียกกันว่านาสนาแปลว่าให้ขีบหายเสียอบุคคลที่ทรงอนุญาตให้นาสนามีอยู่สามประการด้ยวยกันคือหนึ่งภิกษุผู้ต้องอันเป็นมวัตถุแล้ว ยังปฏิ ญ, ญาณตนเป็นภิกษุสองบุคคลผู้อุปสมบทไม่ขึ้นได้รับอุปสมบทแต่สงสามสัมเณีผู้ประพฤติเสียหายอันประกอบด้วยองค์สิบประการอันนี้บุคคลที่สรงอนุญาตให้นาสนามาหยุดสามประการข้อที่หนึ่งที่ว่าภิกษุต้องอันเป็นวัตถุแล้วยังปฏิ ญ, ญาณเป็นภิกษุ ว่อันติดวัตถุนั้นก็คือต้องอวบัติปารชิกแล้วขาดจากการเป็นฟิกสูแล้วอันนี้ไม่ยอมสึกหรือว่าไม่ยอมลาสึกขาถ้ารู้แล้วก็ให้ทําการนาสนะก็คือให้ชิมหายเสียจากเพศใครสึกใหม่ส่วนประการที่สองที่ว่าบุคคลอุปสมบทไม่ขึ้นได้รับอุปสมบทแต่สอบุคคคลอุปสมบทไม่ขึ้นก็คือบุคคลที่มี คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามพระพินัยเช่นบุคคลที่มีเพศบุกร่องบุคคลที่ทำผิดพระพินัยอย่างไรแรงและบุคคลที่ทำผิดต่อกำเนิดของตนดังที่เราได้เรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอุปสมบทมาแล้วนั้น เ, เมื่อมาอุปสมบทโดยไม่มีใครรู้ตอนหลังรู้เข้าอันนี้ก็ให้ทำการนาสนาเสียให้จิบหายเสีย เดืนสัมมณีผู้ประพฤติเสียหายอันประกอบด้วยองศิษยนั้นก็อควรที่จะนาสนะหรือวันนาสนาะออันนี้องค์ษย์ประการที่เกี่ยวกับสัมเนณีนั้นอย่างไรอท่านทรงอนุญาตให้นาสนะสัมมณีผู้ประกอบด้วยองค์ษย์ประการนั้นก็มีหนึ่งเป็นผู้มักผลานชีวิตสองเป็นผู้มักขโมยสามเป็นผู้มักเสพเมถุนสี่เป็นผู้มักพูปดปด ห้าเป็นผู้มักดื่มหนักเมาหกติเตียนพระพุทธเจ็ดติเตียนพระธรรมแปดติเตียนพระสงฆ์เก้าเป็นวิชฉาทิฏฐิและสิบเป็นประผู้พระทูตสลายภิกษุณีคือข่มขืนนางภิกษุณีเนี่ยสมณเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบนี้ให้นาสนะคือให้ขับไล่เสียให้จิบหายเสียจากเพศคือให้สึกไปอเป็นผู้ผลานชีวิตก็คือฆ่าสัตว์ เป็นผู้มักขโมยก็คือเป็นคนที่ลักขโมยเสพเมถุนพูดปลดดื่มน้ําเมาเตดเตียนพระพุทธประธรรมประสงค์โดยเฉพาะข้อสุดท้ายก็คือปฏิทุสลายภิกษุณีข่มขืนนางภิกษุณีอปัจจุบันนี้ก็ข้อนี้ก็คงจะทําไม่ได้เพราะไม่มีนางภิกษุณีอาจจะทําได้แต่องค์ใดองค์งหนึ่งในในสิบองค์นั้นสมณีได้ทําผิดก็อนุญาตให้ทําการนาสนะสมณีนั้นได้ นิน า, นามีเท่าไหร่แต่การอ น, นานนามีสามประการคือหนึ่งลิงคนาสนาให้จิบหายเสียจากเพศ 2, สองซัมโภคนาสนาให้จิบหายจากการกินร่วมสามสังวาสนาสนาให้จิบหายจากสังวาสนี่สามประการในการอันนีเ้เพื่อนสาธมิกที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับพระวินัยนักธรรมชั้นนี้อยู่ เรื่องนาสนานี้จะต้องเฝ้ให้ขึ้นใจเฝ้าให้ขึ้นใจให้แม่นเลยทีเดียวแล้วก็ทำความก่อใจเช่นว่าลิงฆนาสนานะั้นให้ชิบหายจากเพศนั้นก็หมายถึงการให้ลาสิกขาอาจจะเป็นพระภิกษุก็ให้ลาสิกขาจากการเพศเพศพระถ้าเป็นสมมเณีก็ให้ลาสิกขาจากการเป็นสมมเณีในชิมหายจากเพศคือไม่ให้อยู่ในเพศ ภาวะของการเป็นฟิกสุหรือภาวะของการเป็นสามเณรให้ลาเสียจากเพศนั้นไปก็ชื่อว่าลิงคะนาสนะให้ขิบหายจากเพศอ่าส่วนข้อที่สองที่ว่าสามโพคะนาสนะให้ขิบหายจากการกินร่วมอันนี้ก็เอ่อจะไปร่วมกินร่วมหลับร่วมนอนกับฟิกษุทั้งหลายนั้นก็ไม่สมควรก็คือให้ขิบหายห้ามเอ่อร่วมกินกับฟิกษุด้วยกันกับกับฟิสุ เพราะว่าเมื่อจิมหายจากเพศแล้วก็เป็นเพศคารหัดแล้วก็จะมาร่วมกินร่วมอะไรกับพิษสุกนั้นก็ไม่ได้ฉะนั้นการให้จิมหายจากการกินร่วมนั้นก็ชื่อว่าสัมภูคานาสนาและก็สังวาศาสนาชิมหายจากสังวาให้จิมหายจากการร่วมการทําสังกกรรมต่างๆคําว่าสังวาในที่นี้ก็คือร่วมเกี่ยวกับการทําสังกกรรมจะเป็นเรื่องอุโบสถปวารณา หรือสังกกรรมอื่นก็แล้วแต่ไม่ให้ร่วมในการทําสังกกรรมเหล่านั้นนี่ก็ชื่อว่าสังวาสนาสนาชิมหายจากการ อ, อร่วมจากอาให้ชิมหายจากสังวาคือร่วมทำสังกรรัดการที่เรื่องที่สามที่เราจะต้องศึกษาเป็นอันดับไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำทันต ก, กรรมการทําทันต ก, กรรมนั้นก็หมายความว่า สมณีนได้ทำผิดมีโทษไม่ถึงหนาสนาประธานพุทธานุญาตให้ลงโทษแก่สมณีนนั้นด้วยการทำทันต ก, กรรมรงอนุญาตให้ลงทันตกรรมแก่สมณีนผู้ประกอบด้วยองค์ห้าือ 1. หนึ่งนขวายเพื่อไม่ใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลายสองขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลายสามขนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย สีดาว่าเปรียบเลยพิสุทั้งหลายห้ายุยยงพิสุทั้งหลายให้แตกจากกันเนี่ก็ถ้าสมมเนนที่ประกอบด้วยองค์ห้าดังที่กล่าวนี้ก็อนุญาตให้ลงนธนกรรมคือให้ลงโทษให้ทําโทษแก่สัมมาเนนเหตุให้ลงนธนกรรมตามกล่าวไว้ในอัตกตกถาพระอัตตกถาอาจารย์ท่านกล่าวว่าสมมเนนพูดล่วงสีขาบด เอ่อห้าเบื่องปลายก็พึงลงธนกรรมความไม่หลุดพื้นในกิจวัตรอันจะพึงศรรึกษาก็เป็นฐานแห่งการลงธนกรรมได้เหมือนกันอันนี้ตามในอัตรกถาที่ว่ า, าสมณีนที่ประพฤติล่วงสิขาบทห้าเบื้องปลายก็ตั้งแต่วิการละฟูชนาจนถึงชาตรูประราชตะก็ไม่ถึงกับให้สึกแต่ว่าให้ทาโทษ ด, ด้วยการ อประพฤติ ท, ทรมานบางสูบบางประการที่ไม่เกิดไปอนี่ตามในอัตตกถาหรือว่าแม้แต่ไม่เอึอเพื้อในกิจกวัตรโดยเฉพาะในเสกียวัตรต่างๆหรือในวัดที่ควรประพฤติควรปฏิบัติตอ่ไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติอยางนั้นก็ให้ลงคันตะกำรรได้เหมือนกันนอกจากห้าขอห้าประการนีการลงคันตะกำตามในบาลีในอัตตกถาก็ ในบาลีน้อนกรถานี่ก็ต้องกล่าวไว้ก็พอเอามารวมไว้กล่าวในที่นี้เป็นดังนี้ก็คือหนึ่งกล่าวในบาลีได้แก่การกักคือห้ามไม่ให้เข้าหรือไม่ให้ออกท่านกล่าวถึงการอดยเฉพาะการกักไม่ให้เข้าได้แก่กา้นกลางอนุญาตให้ทำเพียงโดยเอกทอเทศสมรินเคยอยู่หรือเคยไปณที่ใดก็ห้ามไม่ให้เข้าไปในที่นั้น ท่านห้ามให้กัน้นกลางตลอดถึงสังขารามการกักไม่ให้ออกจากที่กำหนดไว้เห็นว่าฟื้งทำได้เช่นกันแอ น, น, นการลงคัมภกร์สมณเณนเกี่ยวกับข้อนี้นนก็ถ้าจะกักก็ให้กักในที่บางบางบางที่ที่ควรกักได้เห็นว่าเ้นเคยเข้าไปในที่ไหนหรือเคยออกมาจากที่ไหนอย่างไร ก็ให้กักไม่ให้ทําเช่นนั้นต่อไปแต่ว่าถ้าห้ามไม่ให้สําเด็จเข้าวัดเลยหรือให้ออกจากวัดเลยนั้นค่อนข้างจะเกินไปหน่อยอนี่ในการลงธนกรรมนั้นไม่ให้ทํารุนแรง่เช่นหนึ่งห้าไม่ให้ฉันอาหารสองให้นอนบนแผ่นหินอันร้อนสามทูลของหนักเช่นหินหรืออิฐบนศีรษะสีสะ่ 4, ให้แช่น้ําอ่าสี่ประการนี้ท่านห้ามไม่ให้ลงธนกรรมทําแก่สามนเด็จเพราะเป็นการทําที่หนักมาก นะเป็นการทําที่รุนแรงมากจะไม่ให้กินอาหารไม่ให้ฉันอาหารเลยนั้นก็เป็นการทรมานจนเกินไปปราะว่าธรรมดาของออสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าห้ามไม่ให้ฉันอาหารเลยนั้นก็เป็นการไม่ถูกต้องหรือไปนอนบนแผ่นหินที่ร้อนจัดเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเถึงกับการเป็นบาดแผลหรืออาจจะถึงตายก็ได้หรือทุบของหนัหนกๆเนี่ยเอาไว้บนศรีษนรษะและกำนา น, นานด้วยมันก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ เลือให้ลงไปแช่ในน้ําเย็นๆอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดตะคริวหรืออาจจะเป็นเหตุให้ขึงกับชีวิตก็ได้อันท่านห้ามไม่ให้ทําถึงขนาดนั้นให้ทําแต่พอสมควรอ่าเพื่อให้เข็ดหลาบเท่านั้นเองและก็ประการที่สองในกล่าวถึงพระอัคคตาจารย์ได้กล่าวว่าการอให้ตักน้ําขนฟืนขนสายเป็นต้นนะพึงทําได้แต่ก็แนะนําว่าพึงทําเพียงเพื่อให้เข็ดหลาบไม่พึงทําเป็นการปรมาณ อันนี้ก็เป็นไปาตามในอธิกถาว่าจะลงโทษแก่สมณี น, น, นั้นก็ทําได้จะให้กาตักน้ําอ่ำหาบน้ําใส่โอหักน้ํารดต้นไม้หรือเอ่อตักน้ําเพื่อยอย่างอื่นก็แล้วแต่และก็จะขนฟืนมาเพื่อจะทําการหุงต้มต่างๆหรือขนทรายในการที่จะเอามาใส่ณที่ใดที่หนึ่งก็ทําได้ตามสมควรเรียกว่าให้ทําเพื่อให้เกิดการเขตดลาบทั้งเอง ไม่ให้กระทํา ท, ทรมานจนเป็นเหตุให้อาจจะเกิด อ, อันตรายแก่ร่างกายหรือแก่ชีวิตนั้นการลงธนกรรมนั้นเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําเมื่อเห็นว่าสมุเอ็ประพฤติไม่ดีไม่งามนี้การโลาการลงธนกรรมดังกล่าวนั้นเป็นหน้าที่ของใครจะเป็นผู้ทําเป็นหน้าที่ของสงหรือว่าผู้ปกครองอาท่านแนะนําไว้ว่าอ่สมุนเอ็น เออ่ทำองค์ห้าดังกล่าวในบาลีมีความผิดรุนแรงอยู่น่าลงธนรรกรรมเป็นการส่ง น, นี่ทำเป็นการส่งอาสมานเนล่วงศิขาบทห้าเบื้องปลายหรือทำเสียกิจจะวัดผู้ปกครองก็พอดีเอียกผู้ปกครองทำก็น่าจะพอดีโดยที่สุดเจ้าตัวเองขอให้ป ร, รับเพื่อระงับปฏิสาร เ, เพราะการทาผิดก็ได้ฉะนั้นก็อันนี้ก็ การลงทธนกรรม เ, เป็นการสง่งนะการสง่งถ้าหากว่าทําผิดตามสิกขาบทห้าเบืองเบื้องต้นก็ให้ลงรุนแรงหน่อยก็คือว่าสมมติห้าเบื้องปลายก็เป็นการทําำให้ทำํำธนกรรมทีทททททเ่เป็นการสง่งนี่การลงธนกรรมควรทําแก่กใครในบาลีไมืดอกล่าวถึงการทําแก่กที่สูเลย เขามีวิธีปรับอาบัติแก่พิสุไว้แล้วภายในอันตรก า, ากรากล่าวว่าธัตกรรมแก่สัตว์ตีมหาฤกษ์อันเตวสิกเหมือนทําแก่สมณีนก็ควรโดยอันตรกถาในานั้นการลงธัตกรรมแก่พิสุก็ได้เคยทํามาบ้างเหมือนกันเนี่ยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการลงธัตกรรมอันนี้เรื่องที่สี่คือเรื่องประนามประนามก็คือการตัดผู้ประพฤติในชอบ ไม่ให้ครบด้วยเรียกกันว่าประนามแปลว่าผลักออกท่งพระอนุญาตให้ทาแกสาธรรมิกก็มีแกการหัสก็มีให้ทำเป็นการส่งก็มีเป็นการบุคคลก็มีการประนามที่เป็นการส่งนั้นท่านกล่าวไว้ดังนี้หนึ่งการทำาอเคเรียกคมแกพิุูจนเพราะไม่เห็นอบัตก็ดี ในเพราะไม่ทำคืนอบัตศก็ดีในเพราะไม่ละทิฏฐิบาปก็ดียกเสียออกจากการสมโภคอย่างนี้สองการความบาดแก่อุบา ส, สกผู้ประกอบด้วยโอแฟ่สาการลงทันตกรรมแค่การลงพรหมฐานให้แก่ได้แก่การลงโทษอย่างสูงก็คืออัปโลกันะกรรม ได้แก่สงฆ์อัิโลกเป็นการนัดหมายกันไม่ให้ตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุที่ระบุชื่อนั้นเช่นอย่างสงฆ์ธรรมแก่พระช น, นะสี่การไล่สำเร็ออกจากหมู่ทั้งเพศรับเข้าในการประนามเป็นการสงฆ์ได้อยู่แต่ใช่ว่าจงนาสนาเข้าใจว่าไม่หมายจะรับเข้าหมู่อีกจึงว่าในอธิการแห่งการนาสนาะส่วนการประนามเป็นการบุคคล สัตวที่หาริบและอันเทวสิษย์ผู้ประกอบด้วยองค์อันเป็นโทษโปรดให้อุปชัยยะและอาจารย์เป็นผู้ประนามเป็นการบุคคลได้ดังนั้นการประนามที่เป็นการสงและก็ประนามแก่ภิกษุนั้น เ, เพื่อนสาธมิกก็พึงทำความศึกษาให้เข้าใจเช่นการที่ได้กล่าวแล้วว่าสงวิโลกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ ไม่เห็นหน้าบัตรไม่ทำคืนหาบัตรแล้วก็มีติติละมุกนั้นออกจากเสียออกเสียจากพวกไม่ให้ร่วมอุโบสถไม่ให้ร่วมสังฆกรรมไม่ให้ร่วมกินร่วมนอนด้วยอันนี้ก็เป็นการประนามเนี่ยเป็นการประนามเป็นว่าให้ผลักออกเสียจากพวกจากหมู่จากคณะก็ถือว่าเป็นการประนามภิกษุนเนี่ยส่วนการคว่ำบาประวาบาทก็หมายถึงการไม่รับพยธรรมไม่รับนี่มน แกฆาตผู้ใส่ร้ายผู้ให้ร้ายแก่ศาสนาดังที่เราได้ศึกษามาในการก่อนแล้วรฆาตผู้ อ, อไม่หวังดีต่อพิสุหรือไม่หวังดีต่อศาสนาให้ร้ายแกพิสุและศาสนาดุจประการต่างๆแปดประการดังกล่าวนั้นก็อทรงอนุญาตให้ทําการความบาตไม่ให้พิสุไปรับเลยไม่ให้รับไทยทําให้ครบด้วย อ, อ่ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นการประนามชนิดหนึ่ง นะพลาดออกเลยไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องส่วนการลงปรมทันได้ทําแก่อพระชันนะเมื่อก่อนที่จะเสด็จผ่านทัพนี้ผ่านนั้นก็ได้ส่งตัดแก่พระอานนท์ให้อทําปรมทันประกาศเป็นการส่งไม่ให้อใครว่ากล่าวตักเตือนจะทําชั่วทําไม่ชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ให้ใกลว่ากล่าวตักเตือน ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในการที่จะว่ากล่าวตักเตือนอก็เป็นการลงโทษชนิดหนึ่งเป็นการลงโทษอย่างรุนแรงอันนี้ก็เป็นเป็นการทำเป็นการสงเป็นอัปโลกนะอัปโลกณ ก, กรรมนะและก็เป็นสังฆกรรมที่ทำได้โดยง่ายส่วนการไล่สำเร็จออกจากหมู่ทั้งเพศซึ่งกล่าวไว้ในสิขาบทที่เก้าแห่งสัพปนวัตจว่า ที่กล่าวถึงสัมเารที่กล่าวคัดค้ดานพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้ออกเสียจากพวกให้ออกเสียจากหมู่ไม่ให้ร่วมไม่ให้กินร่วมกินร่วมนอนหรือไม่อยู่กับพิสูจน์ทั้งหลายและก็ยังปรับอวบัดแก่พิสูจน์ทีเ่เอาสัมภาระที่สงไรออกนั้นมาเลี้ยงมาให้อยู่ในการรับใช้ต่งตงบบางๆเราบัดแก่พิสูจน์นั้นเราเป็นป่าชิตีด้วย อันนี้ก็เป็นการถามไล่สมร็จออกทั้งจากออกจากหมู่ทั้งเพศก็เป็นการประนามชนิดหนึ่งเหมือนกันทังการประนามนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจตามสมควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้ศึกษ า, าและก็ทำความเข้าใจเพราะเป็นหลักสูตรที่สาคัญทีอ่อยู่ในท้ายๆแห่งวิรัยมุกเิ่มสามซึ่งเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอก ถ้าเราศึกษาไม่ถึงสุดท้ายแล้วก็อาจจะเกิดการบกพร่องในการศึกษาเพราะว่าปาัญหาทําสนามหลวงนั้นมักจะเอาข้อสุดท้า ย, ายนี่แหละไปออกนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาถึงตอนสุดท้ายก็อาจจะเสียหรืออาจจะทําให้การตอบนั้นตกหล่นหรือพลาดไปได้ไง่ายๆเหมือนกันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับการที่ เออเราได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นมาก็มาทบทวนตอนกันที่สามสิบสามนี่แหละซึ่งเป็นกันสุดท้ายในในเรื่องของพระวิไหยนธรรมชั้นเอกแต่ว่าบาทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจฉะนั้นก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปท้ายเช่ก็อยากจะกล่าวทบทวนเป็นในลักษณะของการถามและในลักษณะของการตอบ ในการสุดท้ายนี่ท่านบอกว่าพิกษุผู้เบืเ่อหนายต่อการประพฤติพรหมจรรย์นี่ถ้าปรารถนาจะกลับคืนไปสู่ความเป็นฆราษฎร์ย่อมทําได้ด้วยวิธีอย่างไรถ้าเขาถามอย่างนี้ก็ทําได้ด้วยวิธีลาสิกขาคือปฏิ ญ, ญาตอนเป็นผู้อื่นจากพิสุต่อนหน้าพิสุเดวยกันแล้วก็ละเพศพิสุเสียถือเอาแพศที่ปฏิ ญ, ญาณนั้นท่านอนุญาตให้ทําอย่างนั้นได้แม้ต่อนหน้าผู้อื่นจากพิสุก็ทําได้ นี้ถ้าถาม่าในคำวิพังแห่งปฐมภาริกสิขาบทเนี่ยท่านแสดงวัตถุคือเขตที่ควรอ้างถึงในคำปฏิญญานั้นไว้อย่างไรบ้างอันนี้ท่านแสดงไว้ดังนี้คือลาพระพุทธลาพระธรรมลาพระสงฆ์ลาสิขาลาวินัยลาปฏิโมกลาอุเทศลาอุปชัยะอาจารย์ลาสัตติวิหาริกอันเตวสิษยสมานุปชัยะหรือสมานนจริกะสพมจารี สองปติญญาอตอนเป็นข้าหัตเป็นอุมาศกเป็นอารามิกะเป็นสมณะเป็นเดรัจฐีหรือเป็นสาวกของเดรัจฐีปฏิเสธความเป็นสมณะความเป็นสักยปุตติยะอและแสดงความไม่ต้องการหรือไม่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุก็เป็นเขตลาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าถามว่าการลาสิกขาทําอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นอันลาที่ถูกต้องอข้อนี้อผู้ลาสิกขา เป็นคนปกติและต้องตั้งใจคือปริญญาตนเป็นผู้อื่นจางสูจนด้วยถ้อยคาที่ชัดเจนเฉพาะเป็นปัจจุบนันนเป็นปัจจุบันอการตอนหน้าพิสูจน์หรือสงผู้เข้าใจในกรรมในกรรมนั้นคือในความนั้นเสร็จแล้วก็นักเพศพิสูจเสียอย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นการถูกต้องทีถ้าถามอาการลาสิกขาต้องทําเป็นกิจลักษณะอย่างไรอันนี้ถ้าเขาถามมหาให้อธิบายแล้วก็ต้องทําเป็นกิจลักษณะ คือเล่ต้องตั้งใจเพื่อลาสิกขาจริงๆเป็นแต่ลำพังว่าเล่นหรือท่องออคําลาหรือกล่าวด้วยอาการแสดงเป็นไวยกถาก็ไม่นับอลาสองปฏิญญาด้วยคาเด็ดขาดไม่ใช่ลาพึงไม่ใช่ปริกลไม่ใช่อ้างความเป็นมาแล้วหรือจะเป็นไปข้างหน้าสามลั่นว่าจาปฏิญญาด้วยตนเองให้ผู้อื่นปฏิญญาให้ผู้อื่นป ร, ญญนปริญญาแทนนั้นใช้ไม่ได้สี่ผู้ปฏิญญาเป็นคนปกติไม่ใช่บ้า ไม่ใช่ผู้เสียสติถึงเพอไม่ใช่ผู้กระสอบกระส่ายเพราะเวทนากล้าถึงไม่รู้ตัวผู้รับปริญญาก็เหมือนกันห้าผู้รับปฏิญญาเข้าใจคำนั้นทันทีอย่างนี้แล้วถ้าถามว่าปริญญาคำเดือดขาดนั้นทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญหาต่อมาอทำอย่างไรจึงจะเป็นอันลาสิขาโดยอชอบแก่พระวินัยอันนี้คานี้ก็ตอบไม่ยาก การปฏิญญาณด้วยคำเด็ดขาดก็คือกล่าวคำลาว่าเช่นสิกขังปัจจคามิข้าพเจ้ากลาสิกขาหรือว่ากิหิติมังตาเรตะท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคาราหัสนี่เป็นคำเด็ดขาดนี้ส ถ, ถามนาการลาสิกขาด้วยสแสดงกายประโยคคือเปลื้องผ้ากาสายะเองหรือผู้อื่นเปลื้องให้แล้วลุ่มหอมผ้าคาราหัสนี่จะเป็นการลาสิกขาที่ถูกต้องหรือไม่เพระเหตุไรนี้คำตอบก็ตอบว่าไม่รับว่าลาสิกขาเพราะไม่ได้ตั้งใจลา ทั้งไม่ลั่นวาจาด้วยตนเองต่อนหน้าผู้อื่นผู้รู้ความมาตนลาสิกขาหรือเป็นกระหัตท่านปราผู้ทําเช่นนี้ด้วยอบัตตุกฎเพราะนุ่งห่มผ้าอย่างการหัตแต่ไม่ไ ม, ไม่นะั่าเป็นการลาสิกขาแบบนี้อถ้าถามว่าเอสําหรับสัมมณอมีคําลาหรือคําปฏิ ญ, ญาณอย่างไรหรือไม่ถ้าสัมมณีประสงค์จะลาภาวะของตนจะพึงทําอย่างไรจึงจะดูเป็นกิจลักษณะอันนี้ก็ตอบ ไม่ยากเนี่ยก็พอตอบได้ดังนี้ไม่มีคําลา ห, หรือคําปฏิญาไว้แต่ผ้าอาถรรพ์ประสงค์จะสึกก็พึยงทําอย่างนี้เรื่องผ้ากาสายาเสียหรือเพศเป็นอื่นแล้วทําเป็นกิริยลักษณะก็เป็นอันสึกหรือจะกล่าวคําลาว่าสิขังปัสกามีข้าพเจ้าราสิกขาก็ควรดูเป็นกิริยลักษณะเหมือนกันแต่มทว่ากิเห ต, ติมังภาไรทะนั้นอคือซึ่งเรามัรหัดนั้นสําหรับคนมีเรือนมีครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กปฐิญญาเชิญื้อนั้นไม่ไมไ ม, ไม่ค่อยชอบเท่าไรก็ท่านบอกว่าจึงควรยกเสียนี่นี้ถ้าถามว่าพิสูจประสงค์จาราสิขาจะกล่าวคําปฏิญญาต่อหน้าสมณีได้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้ก็ในการลาลั้น์ท่านบอกว่าต่อหน้าพิสูจนหรือผู้อื่นจากพิสูจอันนี้ก็น่าจะได้แหนท่านอาคือท่านตอบว่าได้เหมือนกันเพราะท่านอนุญาตหรืออนุมัติให้ปฐิญญาต่อหน้าคนอื่นจากพิสูจได้ สถานการณ์ที่มีพิกษุลาสิกขาด้วยการปริญญาละเพศพิกษุต่อหน้าสามเณรจึงใช้ได้แต่เราไม่ค่อยนิยมทํากันเพราะว่ า, าเมื่อทําไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นที่ยมรับโดยทั่วไปแต่ว่าทำสำหรับไหนก็ได้แน่ก็ได้เราจึงนิยมทํากับพิกสุด้วยกันนี่การลาสิกขาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่ยทํากันอย่างไรอันนี้ก็ที่ทําอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ได้กล่าวไปแล้วว่า คือให้กล่าวเป็นคำปัจจุบันแอและก็ไม่ต้องเป็นคำทึกเบริกับหรือคำที่กล่าวล่วงมาแล้วหรืออดีตอหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยให้ทําเป็นปัจจุบันอาการคือกล่าวคํำมาสิครั้งปัจชา์มิคิิติมังคเริะควบคู่กันไปเลยซึ่งแปลว่าท่านข้าพเจ้าราสิขาท่านทั้งหลายจงจําข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นครหัสนบัตินี้นี่คือคือเป็นคําลาที่เด็ดขาดเป็นคําลาที่ถูกต้อง าจากนั้นเพื่อนสาธมิกสั้งหลายถ้าหากว่าเราได้ศึกษามาแล้วยังไม่มั่นยังไม่แน่ใจก็ควรที่จะทบทวนเกี่ยวกับที่เราได้เรียนมาแล้วอย่างไรตั้งแต่การต้นจนถึงการสุดท้ายการดูการทบทวนให้มากหรือการอาสอบสวนในข้อที่ไม่แน่ใจให้มากจะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจเป็นเหตุให้เกิดความแม่นยําในการที่เราจะจดจําพระวินยัยเพระการทรงพระวินยัย หรือสองไว้ซึ่งพระวินัยนั้นเป็น อ, อุปการะคุณแก่ตนเองมากทีเดียวเมื่อผู้ใดมีความขัดข้องหรือมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับพุทธบัญญัติหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามพระวินัยก็อาจจะมาถามมาสอบถามเราก็จะได้แก้ไขปัญหาให้เกิดความเข้าใจแก่พิษสานธรรมิกได้ดนั้นนักธรรมชั้นเอกซึ่งเป็นนักธรรมชั้นเตรภูมิเป็นนักธรรมชั้นสูงที่ จะต้องให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะวิชาพระวินัยซึ่งเป็นหลักสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประการหนึ่งที่สำคัญเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจให้แม่นยาทีเดียวนะครับเราได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นจนครบกำหนดแล้วคือคำว่าครบกาหนดก็คือว่าจนจบแล้วนั่นเองก็คงจะได้ความรู้ตามสมควรสาหรับผู้ที่ตั้งใจศึกษาเราเรียนมา กับผมก็ได้น้อมนําพระวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ส, ส, สรรมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงให้เพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายนั้นได้ศึกษาก็เพื่อหวังที่จะให้เพื่อนสาธมิกนั้นนําไปใช้นําไปปฏิบัติเพื่อความดีงามของพระพุทธศาสนาของเราสืบต่อไปเอาในที่สุดเหุการ์กล่าวทาพระวินัยคถานี้กับผมก็ขออนุโมทนาในกุศลและศรัทธาที่เพื่อนสาธมิกทั้งหลาย แด้กระอขอบใจท่านทั้งหลายที่ตั้งใจศึกษามาอ่าก็ด้วยอำนาจคุณปัศ ร, รษษิยราชนาฏไรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แต่อานาจแห่งคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระวินัยที่เราศึกษามานี้จงเป็นตบะเป็นเดชพะพละวัตปัจจัยอันมืออวยใจให้เพื่อนสาธมิกทั้งทั้งหลายที่ได้ศึกษาและเรียนมานั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด